ถามคำว่าสัมภเวสีหมายความว่าอย่างไรสัมภเวสีเนี่ยเข้าใจกันผิดมากคือเราไปมองว่ามีพบหนึ่งใ น, นระหว่างเป็นที่อยู่ของคนที่ตายไปแล้วยังหาที่เกิดไม่ได้ซึ่งเรียกว่าเป็นสัมภเวสีพวกสัมภเวสียังหาที่เกิดก็เร่รอนล่องลอยไปจนกว่าจะหาที่เกิดใหม่ได้ ความจริงตามหลักของธรรมชาติจิตเกิดดับตลอดเวลาเวลาจุดติแล้วมันก็ปฏิสนธิต่อไปทันทีเพราะเป็นเพียงขณะจิตหนึ่งปฏิสนธินี้เราเรียกกันว่าเกิดใหม่บางทีเราไปเรียกพวกที่เกิดใหม่แล้วนี้บางพวกว่าเป็นสัมภเวสีที่จริงเขาเกิดแล้วเขาเกิดของเข้าอยู่ในภพอย่างนั้นทีนี้สัมภเวสีในทางธรรม ท่านไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นคำว่าสัมภเวสีหมายถึงสัตว์ที่ยังหาที่เกิดพวกมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นสัมภเวสีทั้งนั้นคือยังเป็นผู้หาที่เกิดกันอยู่หรือยังต้องการเกิดกันอยู่ฉะนั้นสัมภเวสีก็คือมนุษย์ปุถุชนและสัตว์ทั้งหลายทั่วไปที่ยังไม่หมดกิเลสนอกจากนั้น สัมภเวสียังใช้ในความหมายอีกอย่างหนึ่งหมายถึงสัตว์ที่ยังเกิดไม่เต็มบริบูรณ์ตามสภาพของมันเช่นว่าไก่นี้จะเกิดสมบูรณ์ต่อเมื่อออกจากไข่มาเป็นตัวไก่แล้วตอนที่ยังอยู่ในไข่ถือว่าอยู่ระหว่างการเกิดและตอนที่ยังไม่ออกจากไข่นี่แหละท่านให้ใช้ศัพท์เรียกว่าสัมภเวสีฉะนั้น สัตว์ที่อยู่ในระหว่างเกิดยังไม่เต็มกระบวนการหรือยังไม่ครบเต็มสภาพบริบูรณ์ในระหว่างนั้นเรียกว่าสัมภเวสีถ้าหากว่าไก่ออกจากไข่มาเป็นตัวและวิ่งได้เรียกว่าผูตะแปลว่าสัตว์ที่เกิดเต็มตัวแล้วถามเหมือนโอปปาติกะหรือไม่ ไม่เหมือนโอปปาติกาเป็นประเภทของสัตว์ในกำเนิดแบบหนึ่งส่วนสัมภเวสีใช้ได้ทุกประเภทใช้ได้กับมนุษย์ใช้ได้กับไก่ใช้กับสัตว์อะไรอะไรได้หมดที่ยังต้องมีการเกิด